เรามักจะมองโลกออกเป็นคู่ๆ ค, ความดีกับความชั่วสั้นกับยาวมืดกับสว่างเกิดกับตายหนุ่มสาวกับแก่เท่าหรือว่าเจ็บป่วยกับสุขภาพดี แต่ว่าถ้าเราลองพิจารณาดูให้ดีๆไอ้คู่ๆที่เราแบ่งกันจนดูเหมือนว่ามันเป็นสัจธรรมความจริงเนี่ยเอาเข้าจริงๆมันก็แยกจากกันไม่ออกเหมือนฝาแฝดความดีมันต้องมีความชั่วมาเทียบเคียงนะถึงจะเห็นอย่างในเมืองไทยเนี่ยใครที่ จ่ายภาษีตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วเพราะว่ารอบๆข้างหรือว่าที่รอบตัวนี้เขาไม่ค่อยทำอย่างนั้นกันแต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกมันเป็นเรื่องธรรมดามากมันเป็นหน้าที่ต้องจ่ายภาษีตามกฎหมายไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องยกย่องสรรเสริญอะไรกันความสุขความทุกข์ มันก็ต้องอาศัยการเปรียบเทียบกันคนที่เจ็บป่วยนะก็จะรู้สึกว่าไอ้ตอนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยเป็นความสุขละแต่ถ้าเวลาอยู่ในภาวะปกติก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังทุกข์อยู่เพราะว่าคนอื่นเขามีรถยนต์เขามีบ้านเขามีชื่อเสียงเขามีตำแหน่งหน้าที่สูงสูงไอ้เราไม่มีอะไรเลย ในความปกติไม่มีโลภไม่มีภัยซึ่งเป็นถือว่าเป็นความสุขเมื่อเทียบกับตอนเป็นตอนเจ็บตอนป่วยมันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อไปเทียบกับคนที่เขามีความสุขมากกว่าหรือว่ามีโชคลาภวาสนามากกว่าแล้วก็อย่างที่เราก็รู้กันนะความสั้นความยาวมันก็เป็นเรื่องที่ต้องมาเปรียบเทียบกัน คนไทยที่ตัวสูงนะพอมาเทียบกับฝลังก็กลายเป็นเตี้ยไปมันเป็นเรื่องที่ต้องเปรียบเทียบกันอยู่เสมอมันแยกจากกันไม่ได้พระเจ้าตรัสว่าความสว่างต้องอาศัยความมืดจึงปรากฏความงามต้องอาศัยความไม่งามจึงปรากฏ น่าสนใจนะความสว่างนี่ไม่ใช่ว่าต้องมีเทียนต้องมีไฟไฟแช็คมาถึงจะปรากฏอันนั้นเป็นเรื่องพื้นๆไปใครๆก็เห็นแต่ว่าที่ไม่ค่อยเห็นก็คือว่าความสว่างต้องอาศัยความมืดจึงปรากฏความงามก็ไม่ใช่ว่าต้องอาศัยการตกแต่งด้วยหรือประดับประดาด้วยเครื่องหอมมันจะปรากฏไม่ใช่อันนั้นมันก็จริงอยู่แต่มันพื้นไป แสิ่งที่เราต้องเห็นไปก่อนนั่นก็คือว่ามันอ้องอาศัยความแม่งานจึงปรากฏไม่ใช่ว่าความสว่างจะอยู่เกิดขึ้นมาลอยรอยมันต้องอาศัยความมืดจึงจะปรากฏอย่างนี้เราเรียกว่าอิทัิปัจจยตาก็ได้คือมันต้องอาศัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีความสว่างต้องอาศัยความมืดจึงปรากฏมันปรากฏได้ยังไง ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจุดเทียนเนี่ยเทียนจะสว่างก็ต่อเมื่ออยู่ในที่มืดหรืออยู่ในห้องหรืออยู่ในเวลากลางคืนถ้าไม่มีความมืดเทียนมันก็ไม่สว่างหรอกยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจุดเทียนกลางแดดเนี่ยเทียนมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่สว่างขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางแสงที่จ้าเทียนจะสว่างก็ต่อเมื่ออยู่ในห้องที่มืดหรืออยู่ในเวลากลางคืนในตอนเรื่องกันความมืดต้องอาศัยความสว่างจึงปรากฏนะ ความมืดต้องอาศยความสว่างเึงปรากฏอย่างง่ายๆคือว่าเงา เ, เงาคนหรือเงาแดดหรือเงาไม้ก็ตามเนี่ยมันต้องมีแดดต้องมีโซ่ความสว่งองอางเพืจะเกิดเงาขึ้นถ้าไม่มีแดด ก, ก็ไม่มีเงามันคู่กันเลยเป็น้าแสลองพิจารณาไปอีกนิดหน่อยอย่างเขาว่าเนี่ยในดวงอาทิตย์มันมีจุดมืดจุดดับ เราสองกล้องไปถ้าใช้กล้องพิเศษก็จะเห็นจุดดาบของดวงอาทิตย์แต่ว่าจริงๆมันไม่ดับหรอกมันไม่มืดหรอกมันสว่างมันร้อนขนาดพันองศาแต่ที่มันดูมืดเพราะว่าไอ้รอบๆข้างนี่มันมันสว่างแล้วมันจ้าแล้วร้อนเจ็ดพันกวองศาไอ้พันองศามัเลยกลายเป็นมืดไปเลยความมืดต้องอาศัยความสว่างจึงปรากฏ แต่ถ้าเกิดรอบๆข้างๆนี่มันไม่สว่างขึ้นมาไอ้ที่กลายเป็นจุดดับนี่มันก็จะสว่างชัดเจนเพราะว่ามันร้อนต้องพันองศามันร้อนยิ่งกว่าไฟในเตาที่เราจุดที่สกเมื่อไม่กี่วันมีคนส่งภาพที่ประหลาดมาให้มันจินน่าดูมันก็ไม่ค่อยประหลาดหรอกเป็นภาพตารางหมักลุกตารางหมักรุกเราก็มึภาพออกมีขาวมีดามีขาวมีดา เสร็จแล้วในภาพนั้นเนี่ยเขาก็มีคล้ายๆเป็นกระบอกทรงกลมสีดํามืดเลยตั้งอยู่บนกระดานหมากลุกนั้นแล้วมันก็มีเงาทอดลงมาที่กระดานหมากลุกตัวตารางที่อยู่ในกระดานตัวตารางที่อยู่ในเงาเนี่ยมันก็จะมีสีเทาคนที่ส่งภาพมาเขาบอกว่าช่องสีเทาในเงานั้นเนี่ยกับช่องสีดําที่อยู่นอกเงาเนั้นน่ะ ่จริงมันดำพอกันมันดำพอกันเลยนะไอแต่เราดูด้วยตานี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยไอช่องที่อยู่นอกเงามันดำส่วนช่องที่อยู่ในเงามันสีเทามันจะดำเท่ากันได้ยังไงเขาก็บอกว่าลองตัดมาดูเลยเมื่อวานก็ให้อิสลาลองตัดมาดูปรากฏว่ามันเท่ากันเลยแต่ทำไมเวลามันอยู่ในเงามืดมันกลายเป็นสีเทาขึ้นมา เพรเงาหมื่นมันดํากว่านั่นสิเพราะไอ้เงามื่นนี่มันดํากว่ามันมันก็ทําให้ช่องที่ดําน้อยกว่ากลายเป็นสว่างขึ้นอันนี้ก็ตรงกับที่คุเจ้าตามความสว่างต้องอาศัยความมืดจริงปรากฏแม้แต่ช่องที่เรารู้สึกว่าดําแล้วแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันดํากว่าเข้ามาเทียบเคียงไอ้สิ่งที่เราเชื่อมันดําก็กลับเกิดสว่างขึ้นมาอันนี้ที่ต้องเอาภาพมาให้ดูจะได้เห็นว่ามันแปลกยังไงบ้าง สรุปก็คือว่าความสว่างความมืดนี่มันเป็นฝาแฝดกันมันเป็นสิ่งที่ต้องเอื้อเฟื้อกันจะมืดได้ต้องมีสว่างจะสว่างได้ต้องมีมืดเช่นเดียวกับสั้นและยาวมันต้องอาศัยกันแต่ที่จริงมันไม่ใช่แค่อาศัยกันเท่านั้นนะมันอยู่ด้กันเลยแหละความสั้นและความยาวมันอยู่ด้กันเลยพูดอย่างนี้จะงงไหมความมืดกับความสว่างมันอยู่ด้กัน ตัวอย่างง่ายๆนะดินสอดินสอนี่มันยาวเมื่อเทียบกับไม้จิ้มฟันแต่ว่ามันกลายเป็นสั้นไปเลยเมื่อเทียบกับไม้เมตรความสั้นกับความยาวมันอยู่ด้กันไม่ใช่ว่ามันแยกกันนะทั้งทั้งที่สั้นกับยาวนี่มันถือว่าตรงกันข้ามกันแต่ทนั้นมันอยู่ด้วยกันได้สุขกับทุกอยู่ด้วยกันอยที่เคยพูดเวลากินอาหารที่อร่อยอร่อยตอนแรกก็สุขอยู่หรอกแต่กินไปนานๆเข้าความทุกข์ก็ปรากฏ เป็นความเบื่อความเอียนในทุกข์ก็มีสุขนะคนที่ยากจนคนที่เจ็บคนที่ป่วยนี่เขาก็สามารถจะเข้าถึงความสุขได้ท่ามกลางความทุกข์พระพุทธองค์ก็ยังตรัสว่าให้เรารู้จักแสวงหาความสุขท่ามกลางความทุกข์มันอยู่ด้วยกันสุขกับทุกข์นี่อยู่ด้วยกันสั้นกับยาวอยู่ด้วยกันและดีกับชั่วก็อยู่ได้กันด้วย อันนี้ถ้ามีเวลาก็จะอธิบายต่อไปในชีวิตก็มีความตายในความหนุ่มสาวก็มีความแก่ในความไม่มีโลกก็มีความเจ็บป่วยอยู่อันนี้ไม่ได้พูดเองนะพระพุทธเจ้ากลับบอกว่าความแก่มีอยู่ในความหนุ่มสาวความเจ็บป่วยมีอยู่ในความไม่มีโลกและความตายมีอยู่ในชีวิต ฟังดูมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเข้าใจยากแต่ว่าที่จริงมก็เป็นอย่างนั้นแหละความตายันเกิดขึ้นทุกขณะจิตที่เกิดดับเกิดดับตลอดเวลามันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะความแก่ความเจ็บมันเกิดขึ้นทันทีที่เด็กเกิดมาจากท้องแม่เขาก็แก่แล้วละ่ะเขาแก่เมื่อเทียบกับตอนที่เขาอยู่ในท้องอย่างน้อยอายุหนึ่งวันก็ถือว่าเริ่มแก่แล้ว ความสำเร็จความล้มเหลวยศกับความเสื่อมยศลากกับความเสื่อมลางนี้มันมาด้วยกันมันเป็นฝาแฝดมันเหมือนกับด้านสองด้านในเหรียญเดียวกันมันไม่ได้แยกจากกันมันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาเรามองอะไรเป็นคู่คู่เนี่ยจะว่าไปมันก็ถูกตามสมมุติแต่ว่าในความเป็นจริงลึกๆเนี่ยมันมันแยกกันไม่ได้ชัดเจนอย่างนั้น ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจะทําให้เราเข้าใจเรื่องสมมุติความสั้นความยาวนี่มันสมมุติเอาไม่ใช่ว่ามันจะสั้นไปตลอดและไม่ใช่ว่ามันจะยาวไปตลอดแต่เราสมมุติว่าดินสอมันสั้นเพราะว่าเราไปนึกเปรียบเทียบกับไม้เมตแต่ถามว่ามันสั้นจริงหรือเปล่ามันก็ไม่สั้นเพราะมันยาวเมื่อไปเทียบกับไม้จิ้มฟันสั้นยาวเป็นเรื่องสมมุติ มันแล้วแต่ว่าเราจะมองในแง่ไหนเส้นแบ่งระหว่างความสั้นกับความยาวนี่มันไม่มีนะมันไม่มีหรือว่าเปรียบเทียบได้ยากมากเราลองดูนะเอาปากกามาด้ามหนึ่งปากกาหมึกซึมเวลาเราถอดฝามันออกมันยังเป็นปากกาอยู่หรือเปล่าอาจจะยังเป็นอยู่ ตอนนี้เวลาเราถอดด้ามมันออกมาปากกามันมีสองส่วนคือ oui. ส่วนที่เป็นด้ามกับส่วนที่เป็นหัวปากกาลองถอดส่วนที่เป็นด้ามออกถามว่ายังเป็นปากกาอยู่ไหมตอนนี้เราถอดส่วนที่มันเป็นไส้ที่ใส่หมึกไปออกไปมันยังเป็นปากกาอยู่ไหมตอนนี้ถอดส่วนที่เป็นหัวออกไปมันยังเป็นปากกาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ทุกคนเห็นพ้อต้องกันว่าไม่ใช่ปากกาแล้ว แต่ก่อนนั้นนั้นน่ะมันเป็นปักกาหรือเปล่าเคยถามหลายๆคนนะถอดให้เขาดูทีละชิ้นทีละชิ้นละถามให้เขาเขียนคำตอบไว้ว่าตรงไหนที่มันไม่เป็นปักกาแล้วขั้นตอนไหนที่มันไม่เป็นปักกาแล้วเสร็จแล้วเอามาดูกันปรากว่าเห็นไม่ตรงกันบางคนบอกว่าไอ้ตอนที่ถอดเอาด้ามออกนั่นแหละมันไม่เป็นปากกาแล้ว บางคนบอกว่าไอ้ตอนที่ถอดเอาหมึกออกไปไอ้ที่ใส่หมึกออกไปเนี่ยไม่เป็นปากกาแล้วเห็นไม่ตรงกันทําไมเห็นไม่ตรงกันก็เพราะว่ามันไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างความเป็นปากกากับความไม่ใช่ปากกามันไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนแต่ว่าที่เราเรียกปากกาก็เพราะว่าเราสมมุติว่าเออถ้ามันเป็นอย่างงี้เราเรียกปากกานะแต่ความสมมุติของเรานี่มัน ใช้ไม่ได้หรือว่าเริ่มจะมีปัญหาแล้วเมื่อมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่เราคิดเมื่อมีการถอดทีละส่วนทีละส่วเออชักไม่แน่ใจแล้วเหมือกับคนกับสัตว์เนี่ยดูเบนเบิรก็แยกกันออกนว่าคนเป็นยังไงสัตว์เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปสมัยที่สองล้านปีที่แล้วเมื่อมนุษย์เรายังยังอยู่ในถ้ำเมื่อแสนปีที่แล้วมนุษย์เรายังอยู่ในถ้าอันนี้ยังเป็นคนอยู่ไหม เ้วก็บอกเออยังเป็นคนอยู่นะโพธิที่ในถ้ำถอยหลังกลับไปหนึ่งล้านปีเมื่อมนุษย์เราเปลือยเปล่านะแล้วก็เดินสองขาแต่ว่าเดินไม่ตรงยังเป็นคนหรือสัตว์ถอยหลังออกไปเมื่อที่มนุษย์เรายังตัวเตี้ยๆอยู่ไม่ถึงหฟุตนะหัวตโ ต, ตคิ้วหนาสมองสั้นสมองเล็ก ถามว่าตอนนั้นยังเป็นคนหรือสัตว์ตอนนี้เริ่มเถียงกันแล้วว่าเออยังเป็นคนหรือสัตว์กันแน่มันแยกไม่ออกมันพูดไม่ชัดงังความเป็นคนกับความเป็นสัตว์มันก็ไม่ได้แยกจากการชัดเจนถ้าจะว่าไปแต่เราเพียงเพราะว่าเราไปสมมุติกันขึ้นมาในความเป็นคนนั้นก็มีความเป็นสัตว์อยู่อันนี้พูดถึงอากับกิริยาทางกายนะลักษณะทางกายนะ และในความเป็นสัตว์ของลิงหลายชนิดมันก็มีความเป็นคนอยู่ด้วย mm. เช่นเดียวกับในความสั้นมีความยาวแล้วก็ในความยาวมีความสัน้นเรื่องนี้เนี่ยมันในช่วยทําให้เราเข้าใจเรื่องสมมุติมากขึ้นสมมุติเนี่ยมันเป็นคําเรียกว่านี้สัน้นว่านี้ยาวว่านี้คนว่านี้สัตว์แต่ว่าไอการสมมุติเนี่ยคาสมมุตินี่มันมันไม่ใช่ความจริงแท้ แต่เราไปหลงติดว่าสมมติเนี่ยคือความจริงแท้แล้วก็ทำให้เรามองอะไรออกมาเป็นเป็นขั่วเป็นขั่วเสร็จ แ, แล้วเราก็ไปยึดไปติดว่าเนี่ยคือความจริงพอยึดติดความจริงแล้วพอมันแปรเป็นอื่นเราก็ไม่เข้าใจแล้วแลวการมองอะไรเป็นขั่วเป็นคั้วนี่ก็ทำให้เรามองอะไรแบบแยกๆ ก, กันไม่ได้มองอะไรเป็นอย่างเชื่อมโยงไม่ได้คิดว่าเออสิ่งต่างๆนี่มันอิงอาศัยกันนะ ความสว่างต้องอิงอาศัยความมืดความมืดต้องอิงอาศัยความสว่างการที่อิงอาศัยกันเราเรียกอีกัำปฏิยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีการที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้หรือว่าเราจะเรียกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีสิ่งอื่นมาเป็นเหตุเป็นปนตจจัยเราเรียกว่าสังขารสังขารคือการที่มีเหตุปัจจัยปูมแต่งมันปูมแต่งกันได้หลายอย่างอย่างเช่นความสวยอย่างที่ว่ามาความสวยนี้ก็ อาจจะอาศัยการแต่งหน้าทาปากเราก็เรียกว่าความสวยเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสังขารแบบหนึ่งแต่ว่าความเป็นสังขารที่มันลึกไปกว่านั้นคือว่ามันต้องอาศัยความไม่สวยความสวยถึงจะปรากฏตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องความเป็นสังขารโดยเพราะทางนามธรรมา ท, ที่เราควรจะทําความเข้าใจเรื่องสมมุตินี่มนันเรื่องสําคัญมากเพราะคนเราไปติดสมมุติ มันก็เลยเกิดความทุกข์เกิดขึ้นพอเราไปติดว่าอย่างนี้แหละเรียกว่าจนเราก็ทุกข์ขึ้นมาเลยนะทั้งทั้งที่มันไม่จนหรอกนะแต่สมมุติของคนในสังคมทั่วไปเขาบอกว่านี่จนเรารู้สึกทุกข์ขึ้นมาเลยสมัยก่อนคนไทยก็ก็อยู่กันอย่างสบายๆแม้จะไม่มีรถ ยนไม่มีไฟฟ้าไม่มีตู้เย็นเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่พอวันหนึง่งประเทศสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าโลกแบ่งออกเป็นสามส่วนคือประเทศพัฒนากับประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศด้พัฒนาอันนี้เมื่อสัก60ปีก่อน เขาจับว่าเป็นประเทศไทยเป็นประเทศดอยพัฒนาคนไทยก็กลายเป็นคนจนกันทั้งประเทศเลย ท, ทั้งที่แต่ก่อนที่ไม่ได้รู้สึกจนแต่พอเราไปเชื่อสมมุติว่าประเทศไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนาคนไทยจนหมดเลยแล้วก็เริ่มไม่มีความสุขอยากจะรวยอยากจะเป็นประเทศพัฒนาอย่างอเมริกาเมื่อ30ปีก่อนคนฝรั่งก็ไปเที่ยวที่ลาดัก ลาดักนีมันเป็นเมืองเล็กๆอยู่ในใกล้ๆทิศเบกใกล้ๆอยู่ในเพลประเทศอินเดียคนลาดักก็เหมือนคนไทยเมื่อสักหกสิบเจ็ดสิบปีก่อนเขาก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีความสุขดีแต่พอฝรั่งไปบอกว่าคนลาดักยากจนอันนี้คนลาดักเป็นทุกข์แล้วฝรั่งไปทีแรกคนลาดักยิ้มแย้มเพราะเขายังไม่รู้สึกว่าเขายากจน เขาเชื่อว่าคนระดักไปนึกว่าตัวเองเป็นคนยากจนจริงๆตามที่ฝรั่งว่าเอาท่านี้ตอนนี้เริ่มขอเงินล้วนักท่องเที่ยวไปก็จะเริ่มมีเด็กระดับมาขอเงินขอแบมือขอความช่วยเหลือบอกช่วยฉันหน่อยฉันจนฝรั่งที่ไปนี่งงเลยสิบปีก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แนละ้วรู้สึกจนนี่เพราะเราไปติดสมมุติกันไปติดฉา ย, ยากัน ได้ฉายานี่แหละเราก็เป็นคนนึกขึ้นมาเองคนบรรยายขึ้นมาเสร็จแล้วไปไปมาๆมันก็กลับมาครอบเรามีเรื่องเล่าเด็กสองคนเป็นเด็กบ้านนอกนะชอบเล่นกันมีคราวหนึ่งก็สมมติกันว่าเป็นไทยเป็นพมา่าเด็กที่ชื่อชาลีบอกว่าฉันเป็นพม่านะส่วนเด็กชื่อแก้ว เ, เป็นไทยนะ อันนี้พอเป็นพม่าเป็นไทยแล้วก็ต้องสู้กันสก็ไปหาไม้ไปหามีดมีดไม้นี่มาฟันกันฟันกันอย่างเอาจริงเอาจังฟันไปฟันมาไอเด็กที่ชื่อเจ้านี่มีดมันก็หักก็วิ่งหนีชาลีซึ่งสมมติตัว เ, เป็นพมา่าก็วิ่งไล่ตามวิ่งไล่ไปไล่มาปรากว่าตกลงไปในหลุมขาแพลง ขึ้นมาไม่ได้แก้วจะเข้าไปช่วยชาลีก็บอกอยาเข้ามาแก้มันภัยเข้ามาดีตัวนั่นฟันแก้วก็เลยเดินกลับบ้านไปทิ้งชาลีไว้ในหลุมเนี่ยเกือบทั้งคืนจนกระทั่งมีชาวบ้านเดินผ่านมาก็พาเขาขึ้นจากหลุมกลับไปก็เจ็บไปหลายวันแต่ว่าวันรุ่งขึ้นก็ปรากฏว่าใครๆก็ด่าแก้วว่า ใจร้ายเลวชั่วโดยเพราะครูด่ามากเลยว่าทําไมเธอเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้เด็กที่ชื่อแกนี่เขาก็นึกในใจเออก็ครูสอนไม่ใช่หรือว่าพม่า ก, กับไทยมันเป็นศัตรูกันก็ชาลีมันพมา่าผมเป็นไทยก็ต้องสู้กันสิจะมาช่วยกันทําไมครูก็บอกว่าใครก็บอกอันนี้มันสมมุติ มันละครมันเป็นเรื่องเล่นๆทําไมไปเอาจริงเอาจังสมมุติแต่เด็กที่ชื่อแจกก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงถูกด่าก็ชาลีมันพมา่าผมมันไทยมันก็ต้องสู้กันก็ครูสอนไม่ใช่หรือว่าพม่า ก, กับไทยมันเป็นศัตรูกันพม่ามันมาเผาอุทยามาฆ่าคนไทยตายเวลาพูดถึงพมา่าทีไรเลือดไหลต้องเห่ า, าหานต้องสู้ อ้าวแล้วผมทําผิดอะไรที่ตรงไหนในสายตาผู้ใหญ่นะก็เห็นว่าโอ้แก้วนี่มันไปหลงสมมุติมันก็แค่เรื่องบทบาทเรื่องละครไปยึปดไปติดมันทําไมแต่ว่าสิ่งที่ครูหรือผู้ใหญ่ไม่ได้นึกก็คือว่าแล้วจริงๆคนไทยคนพ่อแม่ที่อยู่ชายแดนเนี่ยจริงๆมันก็สมมุตินะเราสมมุติว่าชาตินี้ ชื่อว่าพม่าเราสมมุติว่าชาตินี้ชื่อไทยเราสมมุติว่าอีกชาติหนึ่งชื่อลาวชื่อเขมรที่จริงมันก็สมมติเหมือนกันแหละมันไม่ใช่แค่สมมุติในเรื่องละครระหว่างแย่กับชาลีเท่านั้นไอความเป็นชาติเป็นคนชาตินั้นชาตินี้ก็สมมุติเหมือนกันแต่แล้วทาไมเราถึงปลุกปั่นให้เกลียดกันนี่เวลานี้สมมุตินีมันเข้ามาครอบงามเราครูอาจจะเห็นว่าเอเด็กมันโง่นะที่ไปติดสมมุติ เพรมันเป็นแค่เรื่องละครแต่ตัวเองไม่ได้ย้อนดูตัวเองว่าแล้วตัวเองก็ติดสมมุติกับชื่อประเทศนู้ดประเทศนี้เหมือนกันนี่พอเราติดสมมุติกันแบบนี้แล้วก็ทําให้เกิดเป็นศัตรูกันเกิดเป็นคนละพวกขึ้นมาฉันเป็นไทยแกเป็นพม่าฉันเป็นพุทธแกเป็นคริสตแกเป็นมุสลิมอิสลามฉันเป็นเหนือคนเหนือแกเป็นอีสานฉันเป็นประชาธิปัตย์แกไทยรักไทย แกเป็นฝ่ายรัฐบาลแกเป็นฝ่ายค้านแล้วสมมุติอย่างนี้แหละที่มันทําให้เราทะเลาะ ก, กันตีกันซึ่งที่จริงก็ไม่ต่างจากแแจกับชาลีเราไม่ได้ต่างกันเลยนะเราไปว่าแแจกับชาลีนั้นโง่แต่เราเองนี่โง่วกว่าเขาหรือเปล่านะเพราะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันก็มาจากนะเผ่าพันธุ์เดียวกันมาจากพ่อแม่เดียวกันเป็นมนุษยชาติเหมือนกัน ไอ้สมมุติอย่างนี้นี่สำคัญนะเราไม่ได้สมมุติกันแค่เรื่องชาติเท่านั้นเงเรื่องดีเรื่องชั่วก็เหมือนกันการสมมุติว่าดีว่าชั่วแล้วเราก็มักจะมองว่าคนดีกับคนชั่วนั้นมันคนละส่วนกันฉันดีแกชั่วคนดีกับคนชั่วมันคนละพวกแต่ที่จริงถ้ามองแล้วนะความดีความชั่วมันไม่ได้แยกกันในความดีก็มีความชั่วอยู่ในความชั่วก็มีความดีคนที่เราคิดว่าดีเนี่ย มันก็มีความไม่ดีอยู่มันไม่ได้แยกกันว่าฉันดีแกชั่วมีคนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหาว่าคนชั่วนี่มันอยู่นอกตัวเรามันก็ปราบง่ายก็เพียงแต่จับเข้ามาเข้าคุกหรือฆ่าเสียก็จบแต่ปัญหาคือว่าเส้นแบ่งระหว่างความดีกับความชั่วเนี่ยมันขีดอยู่กลางใจเราคือในใจเรานี่มันมีทั้งดีและชั่วอยู่นั้นเราจะทําลายคนชั่วเนี่ยก็ต้องทําลายตัวเราเองด้วย เพราะว่าในใจเรามันก็มีความชั่วอยู่ก็คือกิเลสมีราคาโทสะโมหเหมือนกันความชั่วมันไม่ได้แยกเป็นเส้นขีดเส้นระหว่างฉันกับแกแต่มันขีดเส้นอยู่กลางใจเราอันนี้คนไม่ค่อยได้นึกเท่าไหร่คนดีๆนี่ถ้าไม่ระวังตัวก็กลายเป็นคนที่น่าเอื่มละอานน่าลำคาหรือน่าเกลียดได้เพราไปคิดว่าคนอื่นเขาไม่ดีพอไปคิดว่าคนอื่นเขาไม่ดีแล้วก็จะทําอะไรกับเขาก็ได้ เดี๋ยวที่เคยพูดเนี่ยคนที่นับถือศาสนาเคร่งไม่ยอมฆ่าคนถือว่าการฆ่าคนการทําแท้งเป็นสิ่งที่เลวรับไม่ได้เสร็จแล้วก็ต่อต้านคนที่ทําแท้งต่อต้านคนที่หมอหรือพยาบาลที่เปิดคลินิกทําแท้งช่วยคนต่อต้านไปต่อต้านมาไม่สําเร็จก็เลยเอาเระเบิดไปวางเอาปืนไปยิงเขาไปยิงหมอและพยาบาลที่ทําแท้ง ทีแรกตัวเองเห็นว่าความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีการฆ่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่แล้วทำไมตัวเองไปฆ่าสียเองอันนี้เพราะมันไปหลงกับความดีของตัวการหลงความดีนี่ต้องระวังโดยถึงแม้ไม่ไปเบียเดเบียนใครมันก็ไปเบียเดเบียนตัวเองให้เราต้องระวังนะว่าเราอย่าไปหลงติดกับความดีของเรามากจนลืมไปว่ามันมีความไม่ดีแฝงอยู่ เมื่อสัก20ิปีนี่ก็เคยมีการทดลองนะซึ่งมีชื่อมากเขาทดลองเอาคนเนี่ยี่สิบคนหรือสาสิบคนเนี่ยไปสวมบทบาทเป็นนักโทษกับผู้คุมสถานที่เป็นคุกนี่ก็ไม่ได้เป็นสถานที่จริงนะแต่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เ็าจำลองเอาโรงยิมนี่แหละมาทําเป็นคุกจําลองแล้วก็ให้นักศึกษาซึ่งเป็นอาสาสมัคร ใครสมัครเป็นนักโทษใครสมัครเป็นผู้คุมเต้องการทดลองดูว่าภาวะจิตใจของคนที่อยู่ในคุก ม, มันเป็นอย่างไรกำหนดทดลองสองอาทิตย์แต่ปรากฏว่าทำไปได้หกวันต้องเลิกเพราะว่าคุก ม, มันจะแตกคนที่เล่นเป็นผู้คุมเนี่ยใหม่ๆก็ประดักประเดิบทำอะไรไม่ค่อยถูก แต่พอสักสองวันก็ชักเริ่มเยี่ยมแล้วเริ่มใช้ความรุนแรงเติมแล้ก็ด่าว่าคนที่เป็นนักโทษตอนหลังก็เริ่มใช้ความรุนแรงลงโทษบางทีก็ให้ ท, ทําท่าร่วมเพศแบบวิจารณ์แต่ไม่ได้ร่วมเพศจริงบางทีก็มาซ้อมตีส่วนนักโทษก็เริ่มโวยวายอึดอัดขึ้นมาก่อการประท้วงก็ก็ถูกจับไปขังไว้ในคุกคุกมืด มันเริ่มอินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มสมจริงสมจังมากขึ้นเรื่อยๆจกนกระทั่งต้องเลิกกลางคันยังไปไม่ถึงครึ่งเดียวของการทดลองต้องเลิกมันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะคนที่มาเป็นอาสาสมัครทดลองทั้งยี่สิบคนเนี่ยมันก็เป็นคนมีการศึกษานะเป็นนักศึกษาฐานะครอบครัวก็กดีแต่ทาไมเวลาไปอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้น มันถึงกลายเป็นคนละคนไม่ต่างจากในคุกจริงๆเลยคําตอบหนึ่งก็คือว่าก็าเพราะความชั่วร้ายความโกรธความเกลียดมันมีอยู่แล้วในใจคนเหล่านั้นพอมันไปสวมบทบาทไอ้ความโกรธความเกลียดหรือความชั่วร้ายมันก็ออกมามันไม่ได้มาจากไห น, นมันมาอยู่มันมีอยู่แล้ว ใ, ในใจเรา แต่แน่นอนมันต้องอาศัยสิ่งวาลลโอมมาช่วยด้วยเช่นบทบาทที่สมมุติขึ้นมาหรือว่าสถานการณ์ในคุกอันนี้มก็ทำทําให้เราสังวรระวังว่าเออไอความดีที่เรามีนี่เราต้องระวังนะเพราะว่าเราอย่าไปประมาทในความดีของเราเพราะในอีกด้านหนึ่งมันก็มีส่วนไม่น่ารักส่วนที่ชั่วลายอยู่ซึ่งเราต้องระวังอันนี้ถ้าเราไม่ระวังเนี่ย ไอ้ความชั่วร้ายในใจเรามันก็จะหลอกให้เราทําสิ่งต่างๆในนามของความดีทําร้ายเขาทุบตีเขาฆ่าเขาก็มีโดยอ้างว่าเพื่อรักษาความดีเพื่อประดุงศีลธรรมอย่างพลพศในคอมเมนี่ที่เราได้ยินกิตฤษฎาว่าชั่วร้ายโหดร้ายฆ่าคนคอมเมนไปถึงสองล้านคนคนที่ไปเจอพลพศนี่เขารู้สึกทึ่งมากแล้วเป็นคนมีสง่าราศีมาก คนพ้นนี้เคยบวชพระมาหนึ่งพรรษาแล้วก็เป็นครูที่ดูสุภาพเรียบร้อยนักข่าวต่างประเทศไปก็จะทึ่งว่าคนนี้เป็นคนที่มีกิริยามารยาทดีมากเป็นคนสง่าแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนเช่นนี้ถึงฆ่าคนได้เป็นล้านๆก็เพราะว่าความดีกับความชั่วมันไม่ได้แยกกันชัดเจนยิ่งเชื่อมันในความดีของตัวมากเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าไอ้คนที่ไม่คิดไม่เหมือนตัว มันคือชั่วและเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เจตนาดีทําเพื่อความดีเพราะฉะนั้นทําอะไรมันก็ดีทั้งนั้นจะจับพวกนี้ไปฆ่าไปกุดหัวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อความดีดังนัการทําความชั่วในนามความดีนี่มันเกิดขึ้นบ่อยมากต้องระวังเนี้ยเราต้องระวังอย่าไปมองอะไรที่แยกกันมันแฝงกันอยู่ตลอดเวลาโดยเพราะยิ่งถ้าเราไปติดสมมติมากเท่าไหร่นี่มันก็มันจะหลงจะพลาด หรือว่าไปยึดกับอุปทานเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าตัวเองนี้ถูกเชื่อมั่นในความดีถ้าไมไปทำร้ายเขาก็มาทำร้ายตัวเองทุกเพราะว่าดีไม่พอทุกเพราะว่ายัางดีไม่ถึงขั้นทุกเพราะว่าคนอื่นเขาดีกว่าเราอิจฉาเขาอิจฉาที่เขาดีกว่าเราความดีก็เลยกลายเป็นเป็นโชดได้ง่าย นันพยายามทำความเข้าใจเรื่องสมมุติพยายามทำความเข้าใจเรื่องไอสิ่งที่มันแสงกันอยู่ในตัวอยู่ในทีมันไม่ได้แยกกันเด็ดขาดความดีความชั่วไม่ได้แยกกันเวลาเรามองว่าใครอือคนโน้นคนนี้ไม่ดีเราต้องระวังด้วยว่าเราเองก็ก็มีสิ่งนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันมันไม่ได้แยกกันเด็ดชัดเจน